อัลลา ظلم أنفسنا و إ ل متوفر لنا وترحمنا ل ن ك و ن ن من الخاسرين อัลลอฮฺ ا من لا د ن ك رحمة وهي لنا إن أمرنا رشده الحمد لله في นักขชีวิตของเราไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าชีวิต การที่เราเป็นบ่าวของล่องสุภ า, านเนวต า, าล์นะครับไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการที่เราสามารถทำหน้าที่ของเรา <c oughs> อย่างเต็มที่เพราะว่าเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับหน้าที่เราทุกคนจะภูมิใจเวลาที่เราได้ทำหน้าที่ของเราได้อย่างสมบูรณ์ลองนึกดูในชีวิตประจำวันของเราเรามีหน้าที่อะไรบ้างในชีวิตทั่วไปนะฮะ คนเป็นพ่อก็อยากจะทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดคนเป็นลูกจ้างเวลาที่ทำหน้าที่ตามที่ได้รับคำสั่งจากนายจ้างจากหัวหน้า ง, งานอย่างเต็มที่แน่นอนว่านายจ้างก็จะดีใจก็จะชื่นชมเราเองก็จะรู้สึกภูมิใจกับผลงานของเราเช่นเดียวกัน เหมือนกันเลยนะครับการที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานาห์ตาละสิ่งที่จะทำให้เรามีความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งอกมากที่สุดก็คือการที่เราได้ทำหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นบ่าวของอัลลอฮสุบฮานตาละได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นในแต่ละวันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทบทวนอยู่เสมอว่าเราได้ทำหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายจากอัลลอฮฺสุบฮานาห์ตาละดี แล้วหรืออย่างมากน้อยแค่ไหนนะครับอั an, าลลอฮฺสุบฮานะตะเราต้องการให้เราเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อิลลัลละดีน้าอาแมนูวะมิลุสาเลฮาดคนที่จะประสบความสำเร็จที่จะรอดพ้นจากความขาดทุนจะต้องเป็นผู้ศรัทธาและจะต้องเป็นผู้ที่อาลมอลซอละจะต้องเป็นผู้ที่อามอลซอละจะต้องทาสิ่งที่ดีๆเพื่อ เป็นทุนของเขาในวันที่เขาจะได้กลับไปหาลอสุบฮานะวะาละดังนั้นท่านนาบีสุลต่านละัมจึงสอนดูอาบทหนึ่งให้กับซาบะจะไม่ได้ว่าชื่ออะไรซาบะคนนี้ชื่อมูอาสหรือเปล่ามูอาร บ, นบินจะบถ้าจะไม่ผิดต้องกลับไปดูใหม่นะครั บ, รบท่านนาบีก็เลยบอกว่าให้เจ้าอ่านทุกครั้งหลังละหมาดดูบุรอ คือศลาร์คำว่าดูบุราคืศลา์นี่หมายถึงหลังละหมาดนนี้อุลามะก็มาอัลลออัลลอฮมันจะต้องมีการอธิบายทุกทีซีน่าอุลามะบางส่วนบอกว่าหลังละหมาดตรงนี้ก็คือสละหมาดเสร็จไปแล้วให้สลอัสสลามะอาลัยกุมอมุลลอฮอัสสลามอลัยกุมรมุลลอฮกสเกตามปกติแล้วก็ให้มีด ع ا นี้ด้วยอัลลอฮฺม์ะอละอลลออละลอละอ ว่าชูเคราะห์และพูดถึารอธิษฐานของพระองค์อาอินนี่ท่านผู้นำศาสนาที่มีความรู้สึกที่ดีที่สุดในโลกนี้่านผู้นำศาสนาที่มีความรู้ึกที่ดีที่สุดในโลกนี้ท่านผู้นำศาสนาที่มีความรู้สที่ดีที่สุดในโลนี้ เราต้องช่วยเราด้วยแปลกไหมเราจะทําดีกับอัลลอฮ์แต่เราต้องช่วยเราจริงๆแล้วอัลลอฮ์ไม่ต้องช่วยมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทําดีกับพระองค์อ่ะแต่เราต้องช่วยให้เราช่วยให้เราจิกเกตต่อพระองค์ด้วยนะคือต้องพึ่งอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาอัลลอฮฺมะอินนี阿拉 ذكرك وشكرك รำลึกถึงพระองค์ขอบคุณพระองค์นี้เราจะขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ต้องช่วยเราด้วยนะ อัลลอฮ์ช่วยเราให้เราขอบคุณพระองค์เลยนะย่อัลลอฮ์เป็นดวงอาที่แปลกมากเลยและเป็นความจริงบางทีถ้าอัลลอฮ์ไม่ช่วยเราเราไม่ขอบคุณพระองค์ทุกครั้งที่เราขอบคุณอัลลอฮ์เราก็ต้องขอบคุณต่อไปเรื่อยๆอิหม่ามชฟีบอกว่าการที่เราชุกอร์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยก็เป็นเน็ตมัดอย่างหนึ่งซึ่งเราจะต้องชุกอร์ต่อเน็ตมัดนี้ด้วยการที่เราบอกว่าละห์มูริลละก็เป็นเน็ตมัดประการหนึ่งเหมือนกันต้องชุกอร์ไม่หยุดย่อน นี่คือหน้าที่ของเราว่ว่าุสนิอิบะดาทิกสามอย่างที่ต้องขอแล้เราแต่ละช่วยให้เราทำหน้าที่นะครับจิกริกะรำลึกถึง Allah ชุกริกะขอบคุณ Allah พุสนิอิบะดาทิกให้ปฏิบัติอิบะดาต่อพระองค์อย่างดีละหมาดอย่างดีอะไรอีกอ่า น, น อ, อัลกุรอานอย่างดีถือศีลอดอย่างดี เพราะว่าดีต้องมาก่อนอัพสนุอาละเรียนละอลสุรุุลมุลทัตนตนุตนตุลและอัลลอฮจะดูว่าใครที่ทำดีมากที่สุดทำดีทาได้ดีมากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาทำอิบัตดักต้องทำให้ดีต้องฟูชู ล, ละหมากของเราี่เราละหมากแถวเดียวกันยี่สิบคนอย่างเงี้ยคะแนนไม่เท่ากันไม่เท่ากันบางคนคะแนนเต็มสิบได้หนึ่งบางคนได้สองบางคนได้แปดบางคนได้เจ็ดบางคนได้ศูนย์ก็มี คะแนนไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนละหมาดดีไม่เท่ากันเราก็เหมือนกันอ่านฟัติฮะเหมือนกันสุญญดเหมือนกันแต่คะแนนไม่เท่ากันเพราะอะไรเ้าเรียกคุณภาพของการทาอิบาดังเพราะฉะนั้นสามอย่างนี้เนี่ยท่านนาบีสอนสหบัติคนพิเศษของท่านทุกครั้งเลยหลังละหมาดอ่านอัลลุมอินะ um ลซิกริกะวะชุกริกะวะุสเบติกเป็นเบาความเฝ อัลลอฮ์สุบฮานาะอัลตะลาแม้กระทั่งการที่เราจะเป็นคนดีในสายตาของอัลลอฮ์นี่เรายัางต้องขอให้อัลลอฮ์ตะลาช่วยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับการที่อัลลอฮ์ตะลาจะทําให้เราเป็นคนดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากตัวเราคนเดียวเปลี่ยวเปี่ยวมันเกิดมาจากการที่ Allah อัลลอฮ์ตะลาประทานเตาฟิกให้กับเราเพราะฉะนั้นจงขอจากอัลลอฮ์ตะลาให้เราเป็นคนดีนะครับอุลมามะบางคนบอกว่าให้อ่านก่อนที่จะให้สลารดูบุรักุลลิซอละตรงนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงก่อนให้สลากก็ได้ <c oughs> อ่านตะฮยัดเสร็จสลาวจเสร็จอานอ่าอ่านอนอ่าน่านอานอีา่านอ่านอาอ่า่านออ่าอ่านอ่นอ่นอ่าน่านอานอ่านอ่านอ่านอานอ่านอ่านอ่นานอ่าอ่าน่านานอ่านอ่าทอ่านอ่านอ่านอ่านอ่านอ่อ่านอ่านอานอ่าน อ, อ, อานอ่านอ่านานอานอานอานอ่านอ่าอานอานกานอ่านอ่านอ่ินานอ่านอ่านอ่านอ่านอนอ่นอ่านอ่านอานอ่านอ่านอนอ่าอ่านอน่านอนอ่า่านนาอ้า น, นาอ่านอ่นอ่านอ่า่านอ่านอ่่อนา Allahم ั้งอันี่ ع و ض ب ك م ن ع ذ ا ب ج ه ن م و م ن ع ذ ا ب ا ل ق ب ر و م ن ش ر ف ت ن ا ل م ح ي ا و م م ا ت و م ن ش ر ف ت ن ا ل م س ي ح ا ل د ج ا ل เป็น د ع อาที่มีความสำคัญมากนะขอดะอาก่อนก่อนที่จะให้สลามทุกครั้งรวมทั้งด ع อาเมื่อสักครู่นีุ้ลมาบางคนบอกว่าหลังละหมาดตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ได้หมายถึงละหมาดเสร็จไปแล้วแต่หมายถึงขั้นตอนสุดท้ายของการละหมาดก็คือก่อนที่จะให้สล ا م ก็อ่านด ع อนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราต้องการจะสื่อกับพวกเราก็คือว่าหน้าที่ของเราต่อโลกสุภาธรรมอะไรเราต้องพยายามทำให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าเราจะต้องใช้วิธีการเทคนิคหรืออะไรก็ตามแต่อย่าท้อและสิ่งหนึ่งที่จะไม่ที่จะไม่ทําให้เรามีกับมีความรู้สึกท้อก็คือการขอดวาอาตอพระองค์ขอดวงอาต ơ อัลลอฮช่วยฉันหน่อยอย่าปล่อยให้ฉันจัดการตัวของฉันเอง พระองค์ต้องช่วยฉั้นจัด ก, การตัวเองไอ้ชั้นเป็นคนดีแต่อพระองค์ขอจากพระองค์ขอเพื่อระองค์และเพื่อจะกลับไปห า, ป า, ห า, าล็อกสุภภาพนรตะอัลละนี่คือสภาพของมุสลิมนะครับไม่มีวันที่เขาจะแยกออกจากความช่วยเหลือการให้เตลฟีชเจาะล็อกสุภภาพนรตะอัลลแม้เพียงแค่กระพริบตาเดียวเลยกไ็ไม่ไม่มีนะครับขอความช่วยเหลือจาะล็อกอัลละอยู่ตลอดเวลาอนะัลฮัมดุลิลลาห์ โดยการข้ามโซลาร์โซลโมส ย, ยังใกล้จะจบแล้วแต่เข้มข้นความเข้มข้น ข, นของมันก็ยังมีความรู้สึกว่านะฮะมีหลายๆอย่างที่ <c oughs> น่าสนใจจากโซล้อแบบนี้นะครับวันนี้เราเริ่มอายัตที่ยี่สิบสามเราอธิบายไปแล้วไม่เป็นไรเริ่มยี่สบสามอีกครั้งหนึ่งอีกเชิอัลลอ นาที่ยี่สิบหกเนี่ยอ้างอ ل บิลลาห์มินอัลชาฏานอัล قل هو الذي أشاءكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ق ل ي ل ا ما قل هو الذي ذ َ رأكم َُ في الأرض وإليه ََِِ تحشرون. ُ قل هو الذي رأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون َ متى َ هذا الوعد ُ إن كنتم صادقين. َ ي ق و ل ل َّ ا ل ل ق َ د ْ م َ م ْ أ ل ع ل م و ن ل إ ِ ن م َ ا ا ل ع ل م ُ ع ن د َ ا ل ل ه و َ إ ن يجير الكافرين من عذاب أليم. و م ي ب ل ن ن ا ل قل هو الرحمن. قلنا فستعلمون من هو في ظلم. ا ل l ر أ, أ, ا ي ت a y t u m صبح ما ُ ك م غوراً a l l ā r a ʾ a م t ب ح ا أُكم غ و ر ا فَمَن يَأْتِيكم بِمَا ء ِ م َ ن الحمد لله โมครังที่ล้านะครับราวจอบตรงไอ์ที่ Allah ัลาบอกว่ากลิละไม่ตึกกรุน Allah พระอัครนี่เป็นจุดอ่อนของเราแล้วมันสอดคล้องกับที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นกลละมตกรนช่อเสดีบอกว่ากลินลมุนม่นไ่กรุมุนไมตกกรุนไม่นไม่ตึกกรุนนไม่่ตึกกรุนไนี่มกรน่มกรน่ คนที่ขอบคุณอล a l ต a h t a a ก็น้อยว่าเลีุ่มมินคุมชูครและถึงแม้ว่าจะมีการขอบคุณ Allah แล้วเนี่ยมันก็ยังน้อยสาระที่แล้วเราอธิบายไปแล้วนะครับว่าคนในจำนวนคนทั้งหมดโลกหมดโลกเนี่ยคนที่ขอบคุณอ l l a h จริงจริงสัตย์ทาต่อ Allah จริงจริงน้อยส่วนน้อย ในส่วนน้อยเนี่ยถามว่าขอบคุณอัลลอฮฺเต็มร้อยรอเปล่าถ้าไม่เต็มร้อยทั้งสองอย่างเลยทั้งในแงจนน่จำนวน quantity จำนวนก็น้อยทั้งในแง่คุณภาพ quality ก็น้อยคุณภาพต่ำมากการชุกโกตของเราต่ออัลลอสุบฮานาวัลลอเพราะฉะนั้นดูอาเมื่อกี้เหมาะสมที่สุดเลยอัลลอฮฺมะอินนีอาลาิกริกะวกัุกริกะ วพ س ่ عبادتك การชูกรมีหลายระดับการที่เราจะขอบคุณ Allah Subhanahu Taala นี่มีหลายรดับนะครับง่ายที่สุดเลยก็คืออัลฮัมดุลิลลาอันนี้ง่ายที่สุดอินนัลลอฮะลียร์ดอานิล عبد ียะคุล้อกเลเตฟย์อัมดุหูอัลเลฮะวย์ชรบอัลชรบเตฟย์อัดุหูอลฮ นี่คือขั้นต่าที่สุดของการชูกรต่อ Allah Subhanahu Wa Taala อดีตศาสดาบอกว่า Allah Subhanahu Wa t a จะทรงโปรดปรานริดอ์ลายอดจะทรงริดอจะทรงโปรดปรานจะทรงพอพระทัยบาคนหนึ่งยะคุลุอัคละกินแค่คาเดียวกินแค่นิดเดียวกินครั้งหนึ่งฟัยฮ์มาดูฮอะไรฮแล้วก็สรรเสริญ Allah ala, mm hmm. ที่พระงค์ส่งให้กินได้กินหนึ่งคํา و َََ ي ش ْ ر วี ا ل ش َّ ربة ََْ ف َ ي َ حمد َُْ ه ُ عليها َََْดื่มน้ำอึกหนึ่งเขาเรียกอึกหนึ่งหรือเปล่าดื่มน้ำมิดหนึ่งหายกไปนะขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงให้เราดื่มน้ำนี่คือขั้นต่ำที่สุดขั้นที่ดีกว่านั้นทำทุกอย่างที่อลัลลอลาสั่งให้ดีที่สุดจากสิ่งที่วาจิบจากสิ่งที่สุนัต ถ้าเป็นขั้นของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮอลวะซัลลัมคือการที่ท่านลุกขึ้นมาละหมาด ก, กลางคืนจนกระทั่งเท้าของท่านแตกเส้นเท้าต้นเท้าแตกเลยนั่งยืนละหมาดนานมากอชะเห็นเป็นห่วงเป็นห่วงก็เลยถามท่านนาบีลลัลฮอลเวะซัลลัมบอกถามท่านนาบีว่ายารสูลลัท่านเป็นถึงนบีของอัลลซุบฮานวาตอลล บาปต่างๆของท่าน ala, อัลลอฮฺอะลัยฮิาลาอภัยให้หมดแล้ทั้งก่อนหน้าไม่มีบาปท่านอบเีเป็นคนที่มั่นสุแล้วทําไมต้องหักโหมขนาดนี้รูร้ภาพไหมครับคือถ้าเราเป็นคนที่มีบาปถ้าเราเป็นคนที่เลวไหลมันก็เหมาะอยู่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้าไปหาอัลลอฮฺมาอัลลอฮฺท่านไม่ได้มีบาปอะไรเลยแล้วจะหักโหมขนาดนี้ทําไมท่านนับดีตอบว่าอย่า ง, งนี้ท่านนบบีบอกว่าอَ ف َ ل َ ا أَكُونُ عَبْدًا ش อย่า Allah ท ja all all al all ี่ท่านละหมาดลุกขึ้นมายืนลุกขึ้นมาเข้าเฝ้า Allah سبحانه และ تعالى ทุกคืนเนี่ยต้องการเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่อ a l l a سبحانه และ تعالى อัฟและอคุนอาบดันชักูรอเธอจะไม่ฉันเป็นบ่าวที่รู้จักขอบคุณ Allah سبحانه และ تعالى หรอกเลยนี่คือการขอบคุณของท่านนบีสุลลมต่อล้เราก็มาวัดดูว่าเราขอบคุณต่อล l l a h ยังไง สูงขึ้นมากกว่าการพูดกับปากพูดกับปากก็เป็นการขอบคุณแต่สูงกว่านั้นก็คือการที่เราทำอิบาดัดต่อา้องเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ด้วยความสเสน่หาจริงๆด้วยความรักความหวงหาอัลลอ์สุภาพะลจริงๆและที่มากไปกว่านั้นก็คือการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์สุภาพะละอัลอันนี้เป็นหลักฐานที่แสดงถึงความความอะไรเขาเรียกความจริงจัง หรือความจริงใจในการที่เราบอกว่าเราเป็นบ่าวของล่องสุพรตาจริงๆวันละีนะจะฮาดูฟี อ, อะไรนะในสุรหัลังคาบูตตอนตอนลล้นวันละีนะจะฮาดูฟีน่ละนะดิยันนะฮอมซุบุลนันะไม่ใช่จำไม่ได้นะแต่จะบอกว่าการที่เราคนหนึ่งรับใช้ศาสนาของล่องสุพรรต่างๆเผยแพร่คำสอนของอิสลามเผยแพร่อาุรอานเผยแพร่สุนนะนั่นก็คือที่สุดของการที่เรา ขอบคุณออลสุพรรณแต่ละเป็นสำนึกสูงสุดเพราะว่ามุสลิมไม่ใช่อยู่เพียงแค่การได้ใช้ของดีกับตัวเองแต่ยะต้องรู้จักแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นด้วยนี่เป็นหน้าที่ที่บรรดาสัฮาบะของท่านนาบีสุลต่ามจะส่วนใหญ่จะมีสำนึกอย่างนี้กันทุกคนเวลาที่รับอิสลามแล้วต้องการที่ให้อิสลามที่ตัวเองรับเนี่ยให้คนอื่นด้วย เป็นขั้นที่สุด ข, ของการชูกรต่อรับสุภาพะลาเพราะฉะนั้นเราลองมาปรับตัวเองนะครับให้เป็นบบาวที่รู้จักชูกรต่อรับอะลาให้มากในแง่ของจานวนและชูกรต่อรับสุภาพะละให้มีคุณภาพในแง่ของการวิธีการชูกรต่อรับสุภาพะละไม่ใช่แค่อัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละนี่ติดปากเลยให้ติดปากเลยอับบลฮัมดุลิลละเจ้าอะไอัลฮัมดุลิลละทำอะไรนิดหน่อยอัลฮัมดุลิลละอัล อัลฮัมดุลิลลาฮ์จำละอุลมิซานท่านนบีบอกว่าอัลฮัมดุลิลลา์นี่ผลละบุญของมันเนี่ยมันเติมเต็มตาช่างในวันเคียร์มัตเพราะฉะนั้นให้ติดปากนะมีอะไรอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ไม่ดีก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอุณเลยฮะอัลฮัมดุลิลลาฮ์นะเจออะไรก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์ในบ้านก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์บนรถก็อัลฮัมดุลิลลา์ไปไหนมาไหนก็ีอัลฮัมดุลิลลา์ นะขอบคุณอัลลอฮฺสุบไบร์ห์ตะลาตลอดเวลาอย่าให้กลายเป็นกาลีและแมตส์กุรูนกลัวว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่มีป้ายนี้ห้อยคออยู่นะพอเรากลับไปหา ala, อัลลอฮฺสุบไบร์ห์ตะลาอ๋อกาลีและแมตส์กุรุนอัลลอฮฺน่าอายมากนะครับเนี่ยจะทํำยังไงให้เราเป็นคนที่ชุกรตอัลลอฮฺสุบไบร์ห์ตะลาตลอดเวลาอันนี้คือเป็นการเป็นการกระตุน้นนะ การเชื่อรับสัมผัสใจเราบอกว่ามันนัส่วนน้อยขอบคุณต่อพระองค์นอกจากที่จะบอกข้อเท็จจริงแล้วในยะอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการกระตุ้นให้กับบาวของพระองค์ที่ฟังอายันี้แล้วเนี่ยเผื่อว่าเขาจะกลับไปขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮาวตะละให้มากกว่านี้ครับอัลลอฮฺอักบาร์วลิลลาฮิลลาอายตไปกลฮุวะลลัติรกุมฟิลอาร์ดวะอิลัยฮิฮชรน อยาง่ายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยเป็นคำสั่งที่ที่เราบอกไปแล้วว่าให้ท่านนาบีสโลลล็อกสันลพูดหรือประกาศกับบรรดามุชริกีให้เขานึกถึงเนือหมันของลอสุภาอัลลอนะครับจงกล่าวเถิดโอ้ m มั a m จงกล่าวแก่พวกเขาเถิดว่าอัลลอ์เท่านั้นที่ทรงสร้างพวกเจ้าจะรอออาคม ฟิลอร์อสรงสร้างพวกเจ้าทรงให้พวกเจ้ากระจายไปตามหน้าแผ่นดินว่าอิลยฮิตุชารูนและยังพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไปชุมนุมหลังจากการกระจัดกระจายนี้เพื่อการสอบสวนและรับผลตอบแทนจากล็อกสุคามทาะไกลแปลกไหมครับมนุษย์คนแรกคืออาดัมอะลาฮิสสลาม นุนท uh um Ta nah, ี u, uh, ่ก็คือฮาวะภรรยาของท่านนบีอาดัมเราทุกคนเป็นลูกหลานของนบีอาดัมหมดเดิอัลลอะลัยฮิาล լ ะทำให้เรากระจัดกระจายไปทั่วหน้าแผ่นดินสุขานัลลอฮฺสุขานัลลอฮ์นะครับว่มิน آياته อัลลอฮฺะละบอกว่าว่มิน ه ا ل و ว่ามิน آياته خ السماوات والارض و ا ا ف ا ل س ن ا ت ي ك ا ن ك สุรตรรูมเราจะลาบอกว่าหนึ่งในจำนวนอายอายไม่ใช่อายะอักุรอานอายะเนี่ยมาบอกแล้วว่าอายตอัลกุรอานก็เป็นอายะอายตอีกอย่างนึงก็คือเครื่องหมายที่เรามองเห็นเนี่ยว่ามีอายที่ในจานวนเครื่องหมายที่แสดงถึงความสัจจริงของอัลกุรอานกอรมถึงความเกรียงไกลพระเดชานุภาพของอัาลลฮราต้อานวคือ خلق ا มาว การที่พระองค์สร้างท้องฟ้าและก็แผ่นดินวัชติลัฟอลสีนติคุมวัลวานิคุมและความแตกต่างในเรื่องของลิ้นภาษาและก็สีผิวจากอาดัมแต่ทำไมพูดไม่เหมือนกันนะประเทศนี้พูดแบบีิทวีปนี้พูดแบบนี้มันมันเป็นไปได้ยังไงมันทางอัลลอฮ์มนุษย์เหมือนกัน แต่พูดไม่เหมือนกันสีผิวไม่เหมือนกันเป็นเรื่องที่แปลกมากซารอาคุมฟิลออร์ทั้งหมดนั้นแสดงถึงอัลมุลกความสามารถของล็อกสุบฮานอัลตัลละทั้งสิ่งเพราะฉะนั้นในนี้บอกไปยังไงอัลจาร์มานาฮูอัลอิคตารุมินอัลมูจูลคือการทําให้มากมนุษย์เรานี่มีจํานวนเท่าไหร่นะครับตั้งแต่การสร้างอาดัม จนกระทั่งปัจจุบันนี้และมีแนวโน้มว่าประชากรของโลกเนี่ยจะจะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับนี่แหละที่ทําให้หลายๆอย่างในโลกปัจจุบันนี้มีการวิเคราะห์วิจัยกันมากมายเหลือเกินว่าต่อไปนี่มนุษย์จะอยู่กันยังไงอย่างไรก็ตามแต่นี่เป็นหลักฐานแสดงถึงความสามารถของร่องสมพ า, านตนซาลาที่นะครับเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้มาตั้งแต่อดีตการมาจนถึงทุกวันนี้ ใช้ริสกีของ Allah س ب ح ا ะนะครับรู้จักหาริสกีริสกีทั้งบนท้องฟ้าริสกีในน้ริสกีในแผ่นดินยังไม่หมดริสกีของ h ละ ت ع ا นในในในใ น, ในทะเลเนี่ยริสกีของ Allah س ب ละในทะเลเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่ามากเท่าไรมากเท่าไรั่ง ล, ล, ล, ลอุลมามบางคนบอกว่ า, าในทะเลเนี่ยมากกว่าบนบก อีกสัตว์ทะเลนะมีมากกว่าสัตว์บนบกอีกนะครับอัลลอฮฺบอกทั้งหมดนี้ต้องคิดนะเวลาที่เราพูดถึงอายัดแบบนี้เนี่ยเราต้องกลับมาวนคิดบางทีถ้าเราสามารถที่จะศึกษาประวัติศาสตร์โลกมาก็ดีเหมือนกันก็ที่จะได้เข้าใจบริบทในภาพรวมด้วยบางทีเราอยู่ตัวคนเดียวอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในแบบมุมเล็ ก, ลกมุมส่วนตัวมองอะไรแคบแคเห็นแต่ เห็นแต่ตัวเองข้างหลังก็ไม่เห็นนะเห็นแต่ข้างหน้าเห็นเดียวถ้าเราอยู่แบบอยู่แบบไม่ใช้ความคิดเราเห็นมองแต่ตัวเองถ้าอยากจะมองเห็นตัวเองในในในมิติอื่นต้องเอากระจกมามองแล้วก็มาดูแค่นั้นเองเราเห็นแค่คนข้าง้าก็เลยทําให้ความคิดความอ่านของเรามันอาจจะคับแคบอัลกุรอานไม่อัลกุรอานต้องการให้เราเปิดมันสมองของเราพยายาที่จะเอาตัวของเราเนี่ย ไปเหินเวหาอะไรนะรออักบัต์นี่คือข้อด้อยของคนที่ท่องจำอัลกุรอานไม่จำคือรู้ว่าอัลกุรอานมันอยู่ตรงไหนแต่ท่องไม่จำนะอัลลอลาบอกว่าเราจะให้เจ้าได้เห็นความสามารถของเราฟิลอาฟาในอะไรในห่วงเวหายอาละ ต้องการให้มนุษย์เห็นบนห้วงเวหาแสดงว่าเราต้องสร้างยานอาวกาศเพื่อที่จะขึ้นไปดูนี่ถ้ามุสลิมคิดอย่างนี้สงสัยสร้างยานอาวกาศก่อนก่อนคนอื่นแต่เราไม่ได้คิดแบบนี้เพราะเราไม่ได้อ่านเรอานอย่างนี้อัลลอฮฺต้าลลอฮต้องการให้เราเห็นเครื่องหมายของพระองค์ในเวหาในห้วงอวกาศอ่ะแสดงว่าเราก็ต้องเรียนสิว่าอาวกาศเป็นยังไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอายักพวกนี้เนี่ยมันกระตุ้นให้เรา ทีกะลาที่มันครอบหัวเราออกไปแล้วก็ไปค้นหาดูสิว่ามนุษย์เป็นอะไรยังไงมาจากไหนต้องคน้นคว่านะครับเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่อัลลอฮ์าแต่ลาสนับสนุนส่งเสริมทั้งหมดทั้งปวงนั้นก็เพื่อต้องการให้เรากลับไปหาลอถอดบทเรียนออกมาแล้วก็กลับไปหากลับมาดูอัลกุรอานุการีนะไปดูสิ่งที่อัลลอ์ตาลาบอกในอัลกุ im, รอานุการีเ็จแล้วไปดูของจริงว่ามันจริงือนที่อัลกุรอานพูดไ้ แน่นอนว่าเราจะไม่เห็นข้อบกพร่องหรือว่าความแตกต่างระหว่างสิ่งที่อัลลอลาพูดในคำฟีขององกับความจริงที่มันเกิดขึ้นุุลลววีอามชเป็นการประกาศให้ชัดเลยนะครับว่าอัลลอฮฺมูฮัมหมัอัลาเป็นผู้สร้างพวกเจ้าเป็นคนที่จะเป็นผู้ที่ทําให้พวกเจ้านั้นกระจายไปตามแผ่นดินและสุดท้ายถ้าอัลลอฮฺมูฮัมหมัอัลาสามารถทําให้พวกเจ้ากระจาย ไปบนผืนแผ่นดินได้มันก็ไม่ใช่เรื่องอยากที่พระองค์จะว uh ่าอิเลยฮิตุชารูนสุดท้ายพวกเจ้าก็จะถูกชุมนุมร่วมกลับไป ส, Allah, สว่ลอดของเราแต่ลาอีกครั้งหนึ่งเรามาจากดินเราจะกลับไปสู่ดินซุฮานลละเราจะเรามาจากอาดัมสุดท้ายเราก็จะนะกลับไปหาต้นต่อบัรฟาบุรุษของเรา ในวันกียรติมันนามาจากการสร้างของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาอัลาเป็นผู้ทำให้เรากระจายไปบนหน้าแผ่นดินแตกต่างนานะมากมายสุดท้ายพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่ชุมนุมเราในวันกียรติมัเพื่อรับการชําระและก็สอบสวนนี่คือกระบวนการที่อัลลอฮ์สวาอุตัลลาสั่งให้สนทนากุดคุยกับบรรดามุชริกีนที่ปฏิเ Allah สธอัลลอฮ์สุบฮานอัตลอฮ์แน่นอนว่าเวลาที่ท่านนาบีพูดอย่างนี้ แล้วก่อนหน้านี้ตอนที่ s <S อลอสฟองสตาระตตั้งคำถามกับบรรดาม่ชลิกีนพยายามที่จะทําให้ปัญญาของคนเหล่านี้เนี่ยเหมือนจนตรอกตอนนี้ไปไหนไม่ได้ละตั้งแต่อายัดแรกพูดถึงการสร้างท้องฟ้าพูดถึงการสร้างดวงดาวพูดถึงการสร้างแผ่นดินพูดถึงริสกีต่างๆที่พวกเจ้าใช้พูดถึงลกสุดท้ายให้ท่านนามีประกาศให้พูดถึงการสร้างหูสร้างตาสร้าง บรรดามุชริกีนที่ฟังอายัก ต, ต่างๆของล่องฟองตาลาในสูเราจุลมลุ่นเนี่ยพอมาถึงจุดนี้เนี่ยไปไม่ได้แล้วคือมันไม่รู้จะหาช่องทางไหนที่จะปฏิเสธต่อรอบสุภะนาวาตาลามีวิธีเดียวเท่านั้นใช้วิชามันแสดงความเป็นอันธพาลออกมาแล้วตอบไม่ได้ไม่มีอะไรที่สามารถจ ะ, จะไปค้านได้เลยสุด สุดอลักษณ์อะไรใช้วิธีการอธิบายแบบสุดหมดเลยมาท่องช่องทางนี้ก็อธิบายจนกระทั่งชัดเจนแจ่มแจ้งไม่มีอะไรเป็นข้อสงสัยแตเวลาที่อธิบายดวงอาทิตย์ก็อธิบายจนชัดเจนเวลาอธิบายดวงจันทร์อธิบายชัดเจนคนเหล่านี้ไม JO, ่รู้จะตอบยังไงก็เลยต้องใช้วิธีน <im> ี Senhor ้ใช้ยังไงวายกูลูนะม้ต่ฮาดวลวัดอิงคุณตุงสอดีทีนอันนี้เขาเรีกว่า นิสัยของอันธพาลพอตอบไม่ได้แล้วก็เลยตั้งคำถามแบบแบบคนที่เทียนเพื่อเอาชนะไม่ใช่เทียนเพื่อต้องการที่จะรับความจริงพวกเขากล่าวว่ายังไงพวกปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าเมื่อไรสัญญาที่ว่าจะมีการชุมนุมนั้นจะเกิดขึ้นจริงอ้โมฮัมม์เห็นไหมเพราะอะไรครับ ลายที่พูดมาก่อนหน้านี้พวกนี้มันไม่สามารถที่จะไปไปถอนรหัสออกมามันไ ม, ไม่สามารถลบล้างได้เลยวิธีเดียวเท่านั้นที่จะเอาชนะมุฮัมมัดให้ได้ก็คือไหนอะเอามาให้ดูสิ <laughs> ที่บอกว่าวันแคร์มัดจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ลองบอกมาหน่อยบอกมาสิถ้าเจ้าเป็นคนพูดจริงถ้าเจ้าเป็นนบีจริงถ้าเจ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยอะ เป็น ร, รอสูญจะล็อกสวาทอะจริงแล้วบอกว่าวันเกียรต์จะเกิดขึ้นบอกหน่อยสิวันที่เท่าไหร่ปีไหนะถ้าของจริงทำไมไม่บอกนี่คือการตั้งคำถามเพื่อเพื่ออะไรเพื่อต้องการเย้ยหยันเพื่อต้องการที่จะแสดงออกถึงความกลางของตัวเองนะครับไม่ต้องการที่จะรับความจริงละ อัลลอฮฺอักบารุลลอฮ์อิลลัฮฺอิลลัลลอฮฺเราสาราพูดถึงของจริงที่เกิดขึ้นจริงนะครับในวันแคมป์มัดแอนที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับ <S <S นะเวลาตอบคำถามคนที่ตั้งคำถามอย่างนี้เนะี <S 1> <S 1> นะ่ยเราสาลาก็ให้ตอบคำถามแบบง่ายๆไม่ต้องไปเถียงมากตอบว่ายังไงอ่ะไอเ ร, ราสาลาสั่งให้ตอบว่ายังไงครับกุล อินนมอัลกลมุ่งดัลลอห์ وإنما أنا نذير مبيد จงกล่าวเถิดโอ้ผู้เป็นนักราทูดแก่คนพวกนี้ว่าแท้จริงความรู้ว่าเวลาใดคือวินาทีแห่งการเกิดกิมาห์นั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์จำกัดเฉพาะสำหรับตัวพระองค์เท่านั้นหมายความว่ามนุษย์ไม่มีโอกาสจะรู้ และแท้จริงฉันเป็นเพียงแค่ผู้เตือนแก่พวกเจ้าหน้าที่ของฉันไม่ได้มาบอกพวกเจ้าว่าวันนั้นจะเกิดเกยมยรติวันนี้จะเกิดเมื่อไรไม่หน้าที่ของฉันมาเตือนพวกเจ้านะครับว่าให้อยู่ในคันลองให้อยู่บนคำสอนที่ถูกต้องของพระผู้เป็นเจ้าส่วนหน้าที่ที่จะให้วันเกยมยรติเกิดเมื่ อ, อไรไม่ ม, มีฉันไม่มีหน้าที่ฉันเองก็ไม่รู้อย่าว่าแต่วันกียติจะเกิดขึ้นยังไงกัยังไงวันไหนเลย แม้กระทั่งตัวฉันเองเนี่ยจะมีคนมาฆ่าจะมีคนมา ท, ทำมันทำนู่นทํานี่ริสกีฉันจะได้เท่าไหร่ฉันเองก็ยังไม่รู้ท่านนาบีเองไม่รู้ไม่รู้นะครับในสุรทูลระาอรัลลอฮฺอัลลอฮฺแตาลาสั่งให้ท่านนาบีบอกว่าถ้าฉันรู้สิ่งที่เร้นลับเนี่ยโอ้โหสบายสบายยังไงครับฉันจะขอริสกีเท่าไหร่ก็ได้ฉันจะขอนูน่นขอนี่ฉันขอได้หมดเลยถ้าฉันรู้สิ่งที่เร้นลับ เพราะฉะนั้นระวังให้ดีขนาดนาบียังไม่รู้สิ่งเร้นลับอย่าไปเชื่อเด็ดขาดว่าคนอื่นที่ไม่ได้เป็นแม้กระทั่งนบีไม่ได้เป็นแม้กระทั่งสหายไม่ได้เป็นแม้กระทั่งอุลามะจะรู้สิ่งเร้นลับระวังให้ดีพวกพวกหมอดูหมอดวงทั้งหลายนะเราเนี่เป็นเป็นโรคอย่างหนึ่งเหมือนกัน เะอวอังใ้ดีนะท่านนาบีไม่รู้สิ่งเรึนลับแล้วมีคนบางคนออกมาบอกว่าท่านรู้สิ่งเร้นลับรู้สิ่งที่มองไม่เห็นกุญแจาหายไปถามหมออะไรหายแมวหายไปถามหมอมีไหมฮะแถวๆนี้แถวบ้านมุเยอะมากเลยใส่หมวกอย่างนี้แหละเนี่ยใส่โตบอย่างนี้ด้วยเปิดสำนักเปิดสำนักเลยลาวอักบัร คนเป็นนบีเดียยังไม่รู้สิ่งเร้นลับแล้วเราเป็นใครบอกวันรุ่ทุ่งเหยียบนะอัลุบิลไลเป็นซาเลกเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าวันเกียร์มาเกิดเมาาื่อไรหรือบอกแล้วเมื่อกี้นะฮะว่ามันเป็นการตั้งคําถามเพื่อที่จะเถียงไม่ต้องการอะไรทีในอาย 1, ัดหนึ่งเราแต่เราพูดถึงพฤติกรรมของคนเหล่านี้ว่าวิยาสตาจิลูนะคาบิลอาซาดคนเหล่านี้เนี่ยเหมือนเยอะท่านนบีสโลตสลับ โอ้ถ้าวันเกียมัดมีจริงเอามันตรงนี้เลยให้ลงมาตรงนี้เลยให้มันเปรียปร้ยงๆตรงนี้เลยเอาอย่างงี้เลยนี่คือคือจะทำให้เสียหน้าต้องการให้ท่านนาบีเสียหน้าแต่ละท่าละก็สอนท่านนาบีตอบแบบได้เปรียบไม่ต้องตอบเยอะกุลอินนามะอิมอินดะลอฉันไม่มีหน้าที่ดิเจ้าไม่เชื่อก็อย่าเชื่อไม่อยากเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อ แต่ฉันมีหน้าที่ที่จะบอกแล้วคอยรับผลกรรมของตัวเจ้าเอ็กก็แล้วกันตอบแบบนี้นี่มันมันอะไรเขาเรียกมันแทนที่เขาเรียกว่าแทนที่เราจะเต้นตามเา้าคือตั้งคําถามเพื่อให้เราเดือดร้อนอะแต่เราไม่ได้เดือดร้อนด้วยพวกนี้นี่มันตั้งคําถามให้ท่านนับีรู้สึกเดือดร้อนจังเลยตอบมันไม่ได้อะเข้าใจไหมฮะเพราะอะไรเพราะท่านอบีไม่รู้จริงๆ ตอบไม่ได้เสียหน้าไหมขายหน้าไหมไม่ไม่ได้เดือดร้อนกับมันเลยไม่ได้ขายหน้าเลยตอบไปตรงๆอินนามัลอิลมอินดอลาห์ความรู้นี้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮอินนามะอันาัีรุ้โมบีนฉันเป็นคนเตือนเจ้าไม่เชื่อฉันตามสบายฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเพราะคนที่จะให้โทษคนที่จะลงโทษไม่ใช่ฉันอัลลอฮ์ฉันมีหน้าที่มาบอกแกพวกท่านว่าอัลลอฮ์ตาลาจะลงโทษคนที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์ ใครจะเชื่ออะไรมำเลยล่ะใครไม่เชื่อฉันก็ทำหน้าที่ของฉันแหละเอาไปคิดเองจบกระบวนการอัลลอแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนที่พยายามตั้งคำถามแบบนี้จริงๆแล้วไม่ได้ต้องการที่จะปฏิเสธท่านนบีสุลลาะมาแล้วสัลละแต่ลึกๆเนี่ยไม่ใช่ไม่เชื่อท่านนบีแต่พวกเขากำลังปฏิเสธอัลลอฮ์ س ب ح ا ละปฏิเสธอายะห์ของอัลลอฮ์ละ ปฏิเสธองค์การอัลลุบานตะลท่านนาบีเนี่ยเป็นเพียงแค่พวกเขาเองก็รู้ว่าท่านนาบีเป็นยังไงชาวมุสลิมทั้งหมดรู้ทุกกระเบียดนิ้วว่าท่านนาบีมฮัมะละละะะมัดลลัลลฮอะลัยวะัลลัมเป็นคนยังไงเป็นคนนิส่อสัต์เป็นคนที่นิสัยดีเป็นคนที่เพอร์เฟหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่ปฏิเสธ มูฮัมมัดสุลลัลละอฺสัลลฺมเนี่ยไม่ใช่ต้องการปฏิเสธมฮัมหมัดแต่ต้องการปฏิเสธริซาและต้องการปฏิเสธศารที่ท่านบีมูฮัมมัดลลัลลอัลลมนมาจากอัลลุบะอนะครับเหมือนที่อัลลอฮตรัสเอาไว้ในสุรทูลนอายะที่สบามอัลลอฮบกว่ารารู ว่าจริงๆแล้วเจ้าอาจจะมีความรู้สึกศกเศร้าเสียใจกับการถากถามของบรรดามุชรีคีมไอเวลาที่พูดอย่างนี้แน่นอนว่าท่านนาบีก็บางครั้งก็มีมีเฟลเหมือนกันฟาอินนาคาฟาลัลลาคบาแกอันนัฟซกบางทีเนี่ยท่านนาบีก็มีความรู้สึกว่าอ๋อลลเหนื่อยเหลือเกินทํางานกับพวกนี้มาชาอัลลอฮ์นะครับอันเนี้ยแล้วนักระษาอะไรกับเราเราคนธรรมดาเนี่ย เราทํางานเพื่ออิสลามแล้วมีคนมาปฏิเสธมีคนมาต่อต้านเป็นเรื่องปกตินะครับท่านอบเีเองก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่อัลลอฮฺสุลต่าลาก็ให้กำลังใจท่านเดยะะลลมอนนนููราเรารู้ว่าเจ้าอาจจะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่พวกนี้มันถากถางมันตั้งคาถามที่จะเถียงเจ้าฟาอินนะฮุมลายู่แคซีบูนะอัลลอฮฺต้าละบอกว่าจริงๆแล้วคนพวกนี้ไม่ได้ปฏิเสธเจ้าหรอกเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจ ไม่ได้ปฏิเสธท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอัลสลามคำพูดนี้ดูผิวเผินว่าปฏิเสธท่านนบีแต่จริงๆแล้วไม่ได้ปฏิเสธท่านนบีสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆก็คือ و ล ك ن ا ل ض บ ل م ي ن بآيات الله يجحدون แต่ว่าบรรดาผููที่อธรรมพวกเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปฏิเสธองค์การของลัทธิสุลตานละทั้งทั้งที่พวกเขารู้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ เจ้ามีหน้าที่ในการเผยแพร่ในการบอกไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียใจมากกว่านี้เราเองก็เหมือนกันเวลาที่เราทําหน้าที่ในการเชิญชวนคนอื่นทําดีหรืออยากยั่งคนอื่นไม่ให้ทําชั่วเนี่ยให้พยายามนึกถึงโมเมนต์นี้ของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านนะครับว่าเรามีหน้าที่ในการบอกส่วนเขาจะรับหรือไม่รับลอสบอลจะอะไรจะเป็นคนควบคุมกุญแจหัวใจของเขาเองนะครับ อินชาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะฉะนั้นอายัด น, นี้จึงมีไนยะหลายอย่างไนยะที่จะตอบโต้บรรดามุชริกีนและไนยะที่จ ะ, ะให้กำลังใจแก่ท่านนาบี m u ม a m m a d ซละวะสัลลัลอฮฺจริงๆแล้วการที่เรารู้ว่าวันเกียรติจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือเราไม่รู้หนีถามว่ามันมีผลอะไรบ้าง ต, าาต่อการศรัทธาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สมมติว่าเรารู้ว่าวันกียรติจะเกิดเมื่อไหร่จะเกิดอะไรขึ้นเราเราจะทำตัวยังไง สมมติสมมติเปต้องคิดว่าอย่างไรครับถ้าเรารู้ชัดเจนสมัยก่อนก่อนที่จะถึงปีสองพันเนี่ยเขาบอกว่าปีสองพันนี่จะเกิดวันสิ้นโลกโอ้โหอะอโอ้หอะเกิดอะไรดีเกิดอะไรขึ้นแลกใหญ่โตเลยข่าวทุกสำนักพิมพ์เว็บไซต์เกือบทุกสำนักบอก Ad เอาคำํำนายของอ่าโนสตราดามุส ลาสราดามุสนะครับเอามาทำนายเยอะแยะต่างๆมากมายเออนี่แหละปีวันสิ้นโลกแล้วมีระบุวันชัดเจนด้วยวันที่เท่าไร่เดือนเท่าไหรน้ํานู่นจะมายาอัลลอฮ์เห็นไหมฮมันไม่ได้มีผลอะไรเลยถึงเราจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยมนุษย์ก็ยังทําบาปต่อโลเม า, าต่ออะไรอยู่วันนีงครับไม่มีใครที่รู้ว่าวันแคมพักจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วทําดีต่อพระองค์ไม่หรอไม่เกี่ยวกันเพราะว่านิสัยของเราเป็นอย่างนี้ เะเป็นลายมันด้เพราะฉนั an, ้น nah, อ ah um ja ah um ัลลอไม่ได้บอกว่าวันเกยรมจะเกิดขึ้นเมื่อไรเพราะมันมีฮิกมัดของพระองค์มันมีฮิกมัดของมันที่ไม่ต้องบอกถ้าบอกแล้วบางทีเราอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้นขนาดไม่บอกนะว่าอัลลอบอกว่าอ่อา วเลยะทียันนะฮ์บอกท่านว่าฮุมละจะโศรุ ي ي ه ه ت ت การลงโทษของอัลลอลาจะมาแบบกะทันหันว่าฮุมละจะโศรุโดยที่พวกเขาไม่ทันตั้งตัวอันไหนน่ากลัวกว่าการที่อัลลอฮฺบอกวันที่ชัดเจนว่าสิ้นโลกวันไหนกับการที่อัลลอฮฺไม่บอกว่าวันไหนจะเกิดวันสิ้นโลกชัดเจนอันไหนน่ากลัวกว่ากันพี่น้องครับบางสิ่งบางอย่างการวัดใจ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญวัดใจเราว่าเราจริงใจกับอัละะลอฮ์มากน้อยแค่ไหนเราเป็นบ่าวแบบแบบหน้าไห้หลังหลอกหรือเปล่าเราเป็นบ่าวแบบไหนเราใช้อะไรในการเคารพพรกเจาอัลลอฮ์สุบฮานวะะละัลอใช้ความรักหรือเราใช้อะไรนะครับนี่เป็นสิ่งที่ เป็นให้มากอย่างหนึ่งซึ่งบางครั้งเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับว่าเหตุผลที่แท้ จ, จริงเพราะอะไรก็ไม่ได้บอกชัดเจนไม่ได้บอกว่าทําไมพระองค์จึงปกปิดเรื่องต่างๆเหล่านี้แต่เราก็สัมผัสได้ว่าการที่เอาล่อสุภาเราจะอะไรปกปิดบางสิ่งบางอย่างเนื่องจากว่าถ้าเรารู้เนี่ยบางทีเราอาจจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ก็เป็นได้ยกตัวอย่างเช่น เชื้อโรคที่มันบินอยู่ในอากาศเนี่ยถ้าเรามองเห็นหมดทุกอย่างเรากล้ากินข้าวอหมผมว่าไม่กล้ากินข้าวแน่ๆเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยเรากินข้าวแม้กระทั่งริมถนนอ่ะ <c oughs> ริมถนนริมถนนรถผ่านไปผ่านมาโอ้อร่อยมากเลยถ้าเรามองเห็นอะไรมั่งที่มันลอยอยู่บนจานเราเนี่ยเห็นไหมเราตาเราปิดไม่เรามองเห็นไม่าบ้าไหมครับถ้าเราตาเราเปิดให้เรามองเห็น มนนี้ท่านนั่นบอยว่าถ้าเจ้าฟังสิ่งที่ฉันฟังถ้าเจ้าได้เห็นสิ่งที่ฉันเห็นนี่รับรองว่าพวกเจ้าจะร้องไห้มากกว่านี้และจะเราต่อให้ทงกัลีล้วพวกเจ้าจะหัวเราะน้อยกว่านี้และจะร้องไห้มากกว่านี้เพรามองเห็นทุกอย่างทั้งยินทั้งเชือ้อโรคทุกอย่างที่มันบินว่อนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันมีไม่ใช่ไม่ได้ว่างเปล่านะครับเนี่ยแบคทีเรียไม่รู้ตั้งกี่ชนิดเชื้อราไม่รู้ตั้งกี่ชนิดที่อยู่บนพื้นเนี่ย ถ้าเรามองเห็นมันจะไม่กล้าที่จะสูญยุดได้ซ้ำครับรัตระไม่ให้เรามองเห็นเพื่อเราสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้เห็นภาพไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปเรียกร้องในสิ่งที่อรตัตระปิดไม่ให้เราเห็นเพราะบางทีการที่เราเรียกร้องในสิ่งที่อรตัตระปิดให้เรามองเห็นเนี่ยมันอาจจะให้โทษกับเราโดยที่เราไม่สามารถจะต้านทานได้อัลลอฮฺจะละนะครับเรามีขอบเขตจํากัดในการรับรู้ และเราก็สามารถที่จะใช้ขอบเขตอันจำกัดนี้ทำทุกอย่างได้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเรียกร้องในขอบเขตที่อัลลอฮปะลาปกปิดเอาไว้เป็นสิทธิ์ของพระองค์เองนะครับเพียงพระองค์เดียววัลลอฮุตอาลาอลัย อาลัยนะครับอัลลอฮฺนับอิยาคุม لما يحبه يرتح صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم سبحان ربك رب العزة كما يصفون السلام ع ل ى المرسلين الحمد لله